ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อแกล้งให้เป็นทุกข์โดยบังเอิญมีแต่คนเข้ามาเพื่อให้รู้ว่าที่เคยทำกับคนอื่นเป็นอย่างไรสิ่งที่คนเห็นมาตลอดคือร่างกายนี้เกิดมาและค่อยๆโตขึ้นไปเจอคนน้นคนนี้หรือคนน้นคนนี้เข้ามากระทบหูตาเนื้อโตคุณแต่ข้อเท็จจริง ก็ยังมีสิ่งที่คุณมองไม่เห็นเช่นมีกรรมหลายอย่างเกิดขึ้นก่อนกายนี้ความเป็นกายนี้กำลังสวยผลบางอย่างที่เคยทำไว้กับคนอื่นบางทีก็อาจจะหลายชาติในอดีตแต่บางทีอาจแค่หลายปีที่ผ่านมานี่เองทว่าวันนี้หลงลืมไปหมดแล้วและความหลงลืมก็ทำให้สำคัญผิดคิดไปว่าเนื้อตัวนี้ไม่ได้ทาผิดอะไร ไม่สมควรโดนใครทำให้เป็นทุกข์บ้างเลยต่อเมื่อเจริญสติจนสติคมกล้าพอที่จะเห็นทั้งชีวิตเป็นนิมิตกรรมจึงค่อยทราบว่ากายนี้คือตัวตั้งเป็นเส้นทางรับกรรมที่เคยก่อไว้ยิ่งเจอคนและยิ่งเป็นทุกข์มากนั่นแปลว่าเคยทำไว้กับคนอื่นมากแต่ถ้ายิ่งเจอคนและยิ่งเป็นสุขขึ้นทุกที ก็แปลว่าเคยดีกับคนอื่นมาไม่น้อยยิ่งทำบาปมากขึ้นเท่าไรบาปยิ่งปิดบังไม่อยากให้เชื่อเรื่องผลกรรมมากขึ้นเท่านั้นขณาดกำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้ให้คนอื่นเดือดร้อนหรือจงใจให้เขาเป็นทุกข์หนักอยู่แท้ๆยังรู้สึกว่าควรโดนแล้วไม่เป็นไรแต่พอตัวเองโดนบ้างยังของขึ้นรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องร้องหาความเป็นธรรมให้ตนเองถ้าจเจริญสติจนรู้จริงว่ากายนี้คือเส้นทางรับกรรมกายนี้คือเส้นทางก่อกรรมและใจนี้คือผู้ตัดสินใจเลือกกรรมคุณจะไม่อยากผูกเวรกับใครอยากอภัยให้ทุกคนอยากให้ทุกคนเป็นสุขเป็นสุขอยู่ในโลกที่ไม่มีการเบียดเบียน การสวดแผ่เมตตามีเนื้อหาประมาณนี้เป็นทิศทางให้ชีวิตดำเนินไปตามนี้แต่ที่เหลือคือใครทำได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคิดขึ้นอยู่กับใครเห็นยิ่งคิดจริงยิ่งทำจริงก็ยิ่งเห็นจริงว่าถ้าปลอดเวรถ้าตั้งใจทำให้คนอื่นเป็นสุขมากกายนี้ก็ยิ่งพาไปเจอคนดีๆมาก หรือยิ่งมีคนดีๆเข้ามาทำให้เป็นสุขมากเกมกรรมมีหลักง่ายๆอยู่แค่นี้